ีเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะหาซื้อ iPad Mini นะอยากได้ก็เตรียมตัวจะซื้อแล้วล่ะนะเมื่อวานนี้ลูกสาวอายุ12ชื่อแพรวก็โทรหาแม่ที่ทำงานบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้บอกพี่ใหม่เนี่ยพี่ใหม่คือพี่สาวของแพร่นี่นะบอกว่าแม่ส่งไลน์นมาบอกว่าแม่อยากได้ iPad Mini ใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่จังนะเพราะว่าใช้แล้วมันสะดวกดีลูกสาวก็เลยพูดว่าแม่ก็มีเน็ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กแล้วก็ยังมี Pc ซทั้งที่บ้านและที่ทางานไม่ใช่เหรอแม่ก็ตอบว่าใช่ลูกสาวก็เลยบอกว่าทำไมแม่ไม่หักห้ามใจมา่งเวลามีความอยากทำไมปล่อยให้ความอยากครอบงำใจนะ น, นี่แกนี่เป็นคำนวณของเด็กไปนะอีสุดสแม่บอกว่าไปไม่เป็นเลยเจอรูปถามแบบนี้เจอรูปทักแบบนี้นะแทร์ น, นี้ก็เป็นเด็กที่มาบวชชีพราม์ที่นี่นะทุกปีนะนนเธอก็บอกแม่ก็บอกว่าเนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะมาบวชติดต่อกันสามปีก็สามารถที่จะทักท้วงแม่ได้หรือว่าเป็นรางวัลชีวิตอันนี้ก็เปลี่ย็นตัวสตินะบางทีลูกนี่แหล ะ, ะเป็นตัวสติหรือว่าเป็นคนที่เตือนสติแม่ แม่ก็มีเหตุผลนะที่ใช้ไอแพดที่ซื้อ iPad Mini นะแต่ว่าพอเจอรูปท้วงแบบนี้แม่ก็คงเปลี่ยนใจแล้วนะเพราะว่าทีซีก็มีโน้ตบุ๊กก็มีเน็ตบุ๊กก็มีออ iPhone อีกตัวหนึ่งแม่ก็มีแม่มีทั้ง iPhone มีทั้งเน็ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทีทั้งที่บ้านและที่ทํางานเจอรูปท้วงแบบนี้นะแม่ก็คงเปลี่ยนใจแล้วกนะ็ ความสันโดษความพอใจถึงที่มีดีสิ่งที่ได้ก็คงตามมาบางทีนะเราก็ต้องอาศัยคนใกล้กตัวนะเป็นคนเตือนสติเตือนสติให้เราผักท่ามใจได้ไม่งั้นก็ไหลนะไปตามอารมณ์ไหลไปตามความอยากเด็กเขาก็ดีนะเขาก็เรียนรู้นะจากการมาบวชที่วัดบวชก็ไม่นานนะสามอาทิตย์นยี่ไม่กี่วันก็ จะมีบทเรียนเท่าฤดูร้อนแล้วก็บทชีปร า, าการมาบวชนี่ก็ทําให้เด็กเขาได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้ให้เขารู้จักความสมดุลความสอดเกียรแต่ก่อนนี่แม่ก็เป็นฝ่ายสอนลูกนะตอนนี้ลูกก็เป็นฝ่ายทับทุกงแมนะ่แม่ก็ดีนะตั้งใจไม่โกรธลูกเลยนะกับชมลูกสิว่าเออลูกเขาสอนดีนะลูกเขาพูดดีไม่ได้โกรธแม่ว่าไม่ได้โกรธลูกว่ามา มาตำหนิหรือทักท้วงแม่อันนี้ก็เป็นวิสัยของของพ่อแม่ที่ดีนะคือว่าเปิดใจรับฟังแม่กระทั่งกับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะช่วยอำนวยามสวกให้ได้มีความสุขนะแล้วก็มีความมีความพอดีความพอเพียงเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถึงเราเราเยาวยวนมันเยอะมากลําพัง การตัดสินใจด้วยตัวเองก็อาจจะไม่เพียงพอถ้าไม่มีคนช่วยกับช่วยเตือนช่วยท้วงมันก็หลายไปตามความอยากงงาตัวนทางในบางกรณีพ่อแม่ก็ต้องเป็นฝ่ายเป็นตัวเตือนสติลูกนะแต่เตือนยังไงถึงจะทําให้ลูกเนี่ยเขาสามารถจะคิดได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าใช้วิธีห้ามมันก็ได้ผลชั่วคราวนะห้ามลูกว่าอยาซื้อนั่นอยซื้อ น, นี่มันก็ได้ผลชั่วคราวแต่ลูกก็ไม่ได้เรียนรู้ด้ตัวเอง มีเพื่อคนนู่ก็เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อสิปีที่แล้วนะวันหนึ่งลูกสาววัยสิก็รุ่นเดียวกับแพรวนะแต่ว่า น, นี่คนละคนแนะักลับจากโรงเรียนก็มาบอกแม่ว่าเนี่ยหนูอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งมันดีมากเลยหนูอยากได้จริงๆแม่ก็ถามเป็นอะไรเธอก็ตอบเป็น เป็นของเล่นเป็น ค, คนน ล, ล้ายคไมโครโฟนเหมนะรูปร่างเหมือนไมโครโฟนเวลาพูดแล้วเนี่ยเวลากดปุ่มแล้วมันมีเพลงร้องออกมาเหมือนกับว่าเจ้าตัวกําลังร้องเพลงแต่ในนั้นโทรศัพท์มือถือมันยังไม่แพร่ระบา ท, ทุกวันนี้เดี๋ยวก็อยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยน้าปัญหามาเท่าไหร่เดี็กก็ต่อว่า400บาทสี่รบาทสำหรับสิบปีที่แล้วแล้วสำหรับเข้าวควรัวนี้ก็ถือว่าแพงไม่เคยซื้อของเล่นแพงขนาดแม่ก็คิดดูว่าจะทํายังไงดี ปกติก็มีทางเลือกสอทางนะครับคือว่า1ตามใจลูกอยากได้อะไรแม่ก็ซื้อให้หรืออย่างที่2ก็ห้ามลูกไม่ซื้อให้ลูกแต่แม่พอก็รู้ว่า2 อ, อย่างทํา2อย่างนี้ก็คงไม่ใช่วิธีการที่ดีก็เลยบอกกับลูกว่าถ้าลูกอยากได้แม่ก็จะซื้อให้นะแต่มีข้อแม้อยู่สองข้อนะอันที่1คือว่าแม่จะหักเงินลูกหักเงินค่าขนมลูกนะวันละครึ่งหนึ่งเงินกว่าจะครบ400ร้อันที่2อคือว่าอยากให้ลูกเนี่ยก่อนกลับบ้านทุกเย็นเนี่ยก็ไปที่ร้าน ซึ่มันก็อยู่ข้างมันก็อยู่กลางทางอยู่แล้วไปดูของเล่นชิ้นนั้นดูของเล่นชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจด้วยนะดูใจของตัวไปด้วยลูกสาวก็รับปากเพราะว่าอยากได้มากเลื่อนช้แค่นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเธอก็ทําตามที่แม่บอกทุกเย็นเลือกเรย ก, ก็ไปดูของชิ้นนั้นใจมันอยากไปอยู่แล้วนะดินดีไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ทําตามที่แม่บอกคือดูใจมันตัวไปด้วย พอจมวันที่4รลูกสาวกลับถึงบ้านก็บอกแม่ว่าแม่หนูม ไ, มไม่เอาแล้วอ้าวทำไมไม่เอาล่ะแม่ถามเบือ่อนเะบื่อแล้วเสียรายเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าเด็กเป็นฝ่ายนะ เปลี่ยนใจเองเพราะอะไรนยะเป็นเพราะว่าพอไปดูมันทุกวันทุกวันเนี่ยไอ้ความอยากก็ลดลงแต่ไม่ใช่แค่ดูของแล้วดูใจด้วยให้การดูใจเนี่ยเป็นเห็นความอยากเนี่ยมันก็คือสตินั่นแหละสติคือความสามารถในการที่ตามดูรู้ทำใจดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวที่ทาหน้าที่ดูก็คือสติช่วยให้จิตได้เห็นพอเธอพอมีสติเห็นความอยาก ความอยากมันค่อยๆทุเราเบาบางไปจนกระทั่งหายไปเลยถึงตอนนั้นก็นึกเสียดายเงินละสี่รบาทนี่เอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าอันนี้เรื่อสติเนี่ยช่วยระงับความอยากไว้ได้อันนี้ก็เป็นอุบายของแม่นะที่ทําให้ลูกเนี่ยตัดสินใจไม่ซื้อของชิ้นนั้นเองจริงเนี่ยเพียงแค่ว่าไม่ซื้อทันทีนแต่ว่าให้คอยสักหน่อยเนี่ยคอยสักสวัน7วันเนี่ยธรรมชาติของความอยากมันก็จะค่อยๆลดลงไปแต่ถ้าเราเกิด <ๆ S 2> เราทำตามความอยากเลยเนี่ก็เสียเงินเนี่ ได้ไง่ายกา ร, รูิจักคอยนะมันช่วยทำให้มีสติมากขึ้นมันช่วยทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจหรือห้ามใจได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะระงับความอยากไว้ได้นะไม่ว่าโดยการเตือนสติของผู้เป็นพ่อหรือแม่หรือแม่ที่ทำหน้าที่เป็นกรยานุนิตรให้ลูกได้เห็นความอยากจนทังเกิดสติในตัวเองอแล้วก็